พระบัญญัติหนึ่งพันก็ภิกษุณีใดให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนแก่ชาวบ้านแก่ปริพาชกหรือแก่ปริพาชิกาต้องอบัตอาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ